วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนื่อมีจิตศรธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้เข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรายึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่จะให้แสงสว่างแห่งธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ปลอดจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการที่เราจะได้แสงสว่างแห่งธรรมเราก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมนั่นเองถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราจะไม่ได้แสงสว่างแห่งธรรมการฟังธรรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่ต้องการแสงสว่างแห่งธรรมที่จะได้พาชีวิตของเราให้แข็งคลร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้การฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็นมงคลอย่างยิ่งมีความมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตจิตใจของพวกเราที่ยังมืดบอดอยู่มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในที่มืดแสงสว่างจะเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ กับพวกเรามากในยามค่าคืนเวลาที่เราขับรถไปไหนมาไหนในยามค่าคืนเราต้องมีแสงไฟถ้ารถไม่มีแสงไฟเราก็จะไม่กล้าขับไปไหนมาไหนเพราะอาจจะเกิดภัยเกิดอันตรายได้หรือถ้าเดินไปในที่มืด ถ้าไม่มีไฟฉายไม่มีแสงสว่างเราก็จะไม่กล้าไปกันฉันใดจิตใจของพวกเราที่ยังเป็นปุตุชนอยู่นี้ยังปิดจิตใจที่อยู่ในความมืดอยู่ยังไม่เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ พอเราไม่มีแสงสว่างเราเดินไปเราก็มักจะไปเจอพิษภัยต่างๆที่เราไม่อยากจะเจอกันพิษภัยของจิตใจก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความไม่สบายใจปัญหาต่างๆเกิดจากการที่เรา ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนำพาชีวิตของเราไปนั่นเองถ้าเรามาฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีแสงสว่างคอยนำทางแสงสว่างของธรรมนี้ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยการฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเราไม่ฟังกันอย่างต่อเนื่องทาที่เราได้ยินได้ฟังเมื่อคราวที่แล้วก็อาจจะเลือนลางไปหายไปจากความทรงจำของเราก็ได้เพราะในแต่ละวันเราต้องใช้ความคิดเราต้อง ร, รับรู้เรื่องราวต่างๆอยู่มากมาย เรื่องราวต่างๆที่เรารับรู้เข้ามาใหม่มักจะไปกรบเรื่องราวที่เราได้รับรู้เก่าเช่นข่าวที่แล้วใดเราได้ยินได้ฟังทำแต่พอเรากลับไปบ้านกลับไปทำงานกลับไปทำอะไรต่างๆเราก็จะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาในใจของเรามากลบความรู้ที่เราได้ยินได้ฟัง จากการมาวัดเมื่อคราวที่แล้วแล้วถ้าเราไม่นึกหรือคิดอยู่กับธรรมที่เราได้ยินได้ฟังธรรมเหล่านั้นก็จะถูกเรื่องราวต่างๆที่เราไปรับรู้มากลบไปหมดจนหายไปหมดแต่พอเราได้กลับมาวัดอีกครั้งหนึ่ง มาได้ฟังเทศฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้เอาธรรมที่เราได้ยินเมื่อคราวที่แล้วที่ถูกหลบไปนั้นเอากลับเข้ามาใหม่เอากลับขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เป็นแสงสว่างนำพาชีวิตของเราต่อไปความรู้ต่างๆที่เราได้รับรู้ เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในวัดส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่จะทำให้ใจเรามืดบอดไม่ได้ทำให้ใจเราสว่างแต่ความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จะเป็นความรู้ที่จะทำให้ใจของเรามีแสงสว่างสองทางการฟังธรรม อยู่เรื่อยๆจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นการเติมแสงสว่างให้แก่จิตใจที่มืดบอดพอจิตใจที่มืดบอดมีแสงสว่างก็จะเห็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายก็จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้ไม่เข้าไป หาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายจะไปหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจอันนี้คือประโยชน์ของการฟังเทศฟังธรรมจะได้ฟังธรรมที่เราไม่รู้มาก่อนไม่เข้าใจมาก่อนไม่เห็นมาก่อนพอได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ยิน ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เราก็จะได้รู้จากการฟังเทศฟังธรรมแล้วพอเราได้รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้เราก็จะสามารถปฏิบัติให้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้คือยก จิตใจให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทําลายจิตใจได้เพราะเราจะรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์เราก็จะไม่เข้าหาเราจะเข้าหาแต่สิ่งที่ไม่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นสุข การฟังธรรมนี้จะได้ยินได้ฟังความรู้ความเห็นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นที่ได้ทําให้พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้กันก็คือสัพเพธรรมานัตตาเป็นธรรมที่ไม่มีใครรู้มาก่อน สัพเพธรรมะอนัตตาแปลว่าอะไรสัพเพธรรมาก็แปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนัตตาอนัตานตาแปลว่าไม่มีตัวตนสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามีตัวมีตนนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วย ปัญญาของพระพุทธเจ้าว่ามันไม่มีตัวตนเช่นร่างกายของพวกเราทุกคนพวกเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีตัวตนมีตัวเรามีตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องตัวภรรยาตัวสามีตัวบุทธิดาอยู่ในร่างกายต่างๆ ความจริงมันไม่มีเราเพียงแต่ไปตู่เอาเท่านั้นเองเหมือนสมัยก่อนคนโบราณก็ไปตู่เอาว่าโลกนี้แบนโลกนี้ไม่กลมแต่ความจริงโลกนี้มันกลมแต่มันมีความขนาดที่ใหญ่มากจนความโค้งเว้าของโลกมันมันมี ความโคงเว้าวน้อยมันเลยทําให้เราที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของโลกทําให้เรารู้สึกว่าผิวโลกที่เราเหยียบกันอยู่นี้เป็นผิวโลกที่แบนอันนี้ความมันไม่ใช่เป็นความจริงเพราะมีคนที่ฉลาดที่มีปัญญา เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้มันกลมเช่นเขาพิสูจน์ได้ด้วยการเปรียบเทียบว่าถ้าโลกนี้มันแบนเวลาเรือที่เราเห็นอยู่ที่ในทะเลเวลาเรือวิ่งเข้ามาสู่ฝั่งถ้ามันพื้นผิวทะเลมันแบนมันราบ เราก็จะต้องเห็นตัวเรือพร้อมกันไปทั้งหมดตั้งแต่เสากระโดงลงมาถึงตัวเรือแต่ทำไมเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเรากลับเห็นส่วนที่สูงของตัวเรือก่อนเช่นเสากระโดงของเรือเสาธงของเรือแล้วเมื่อเรือวิ่งเข้ามาใกล้ๆเข้ามาอยู่เราถึงจะค่อยๆเห็นส่วนอื่นๆ ต่ำลงมาสแสดงว่าพื้นที่เรือวิ่งอยู่นั้นมันไม่ราบมันไม่แบนถ้ามันแบนนี้เราจะต้องเห็นเรือทั้งลำพร้อมกันหมดเห็นตั้งแต่ตัวเรือขึ้นไปถึงตัวเสากระโดงอันนี้คนฉลาดเขาคิดกันเขาพิสูจน์กันได้ว่าโลกนี้มันไม่แบนมันกลม เขาก็เลยยังกล้าที่จะส่งให้เรือนี้วิ่งไปออกไปทางทะเลไปทางทิศใดทิศหนึ่งแล้วเขารับประกันว่าเมื่อวิ่งไปแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับมาที่เดิมได้โดยที่ไม่ต้องหันเรือกลับมาเหมือนกับที่เราเดินในวงกลม เ, เราเริ่มต้นจากจุดหนึ่งในวงกลมเราเดินตรงไปเรื่อยๆตามแนวของวงกลมเนี่ เดี๋ยวแนวขององค์กรมมันก็จะพาเรากลับมาจุดที่เราเริ่มต้นเขานี่คือคนฉลาดคนฉลาดถ้ารู้จักคิดรู้จักเปรียบเทียบรู้จักพิสูจน์เขาก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้กลมไม่ใช่แบนเหมือนอย่างคนทั่วไปที่ไม่มีปัญญาจะคิดกันเพราะ เห็นตามสภาพที่เป็นอยู่พวกเราก็เหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้ของพวกเราก็เป็นเหมือนพวกที่เห็นโลกนี้แบนความรู้ของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนพวกที่เห็นว่าโลกนี้กลมพระพุทธเจ้าเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีตัวตน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสิ่งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณสิ่งที่มีชีวิตก็เช่นพวกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆแต่พวกนี้มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณสิ่งที่มีชีวิตและมีวิญญาณก็คือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนี่เอง มนุษย์ร่างกายของมนุษย์นี้มีชีวิตมีการเจริญเติบโตเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าแต่มีวิญญาณที่รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ต่างจากต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้านี้ไม่มีวิญญาณไม่มีการรับรู้อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นอ่ก้อนหินอ่น้ำหรือลมหรือไฟอากาศไม่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็พวกต้นไม้ใบหญ้ า, ยยาต่างๆและสิ่งที่มีชีวิตและมีดวงวิญญาณคือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานต่างๆนี่ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายของสิ่งต่างๆไม่มีตัวตนในต้นไม้ไม่มีตัวตนในน้ำไม่มีตัวตนในดินไม่มีตัวตนในลมไม่มีตัวตนในไฟไม่มีตัวตนในร่างกายของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นแมวจะเป็นสุนัขจะเป็นนกจะเป็นปลาสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตนในร่างกายของเขาร่างกายของมนุษย์ก็ไม่มีตัวตนร่างกายของมนุษย์ของสัตว์ก็ประกอบขึ้นด้วยอาการสามสิบสองเช่นมนุษย์เราก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีอวัยวะต่างๆ มีน้ำต่างๆในร่างกายของพวกนี้ก็เหมือนกับของที่ไม่มีชีวิตนั่นะเหมือนผมเราตัดไปแล้วนี่ทิ้งไปในดินมันก็กลายเป็นดินไปมันไม่มีตัวตนดินไม่มีตัวตนฉันใดผมที่เรามีกันอยู่นี้มันก็เหมือนกับดินเวลาเราตัดผมไปเราเก็บไว้หรือเปล่าเราก็เอาไปทิ้งอเอาไปทิ้งมันก็ทิ้งกองขยะ กลายเป็นดินไปน้ำที่เราถ่ายออกมามันก็กลายเป็นน้ําไปมันไม่มีตัวตนสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายทั้งหลายนี่มันไม่มีตัวตนมันกลับไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟลมที่เราหายใจเข้ามาแล้วเราก็หายใจออกไปลมมันก็ไม่มีตัวตน แต่พอมันเข้ามารวมกันพอดินกับน้ำกับลมกับไฟมันเข้ามารวมกันในร่างกายของเรามันก็ปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมาปรากฏเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาแต่อาการสามสิบสองเหล่านี้มันก็ไม่มีตัวตนผมนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนขนก็ไม่ใช่ตัวตนแล็บฝันหนังก็ไม่ใช่ตัวตน เนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่ใช่ตัวตนบอดหัวใจตับลำไส้ไตสมองก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงแต่อวัยวะเป็นเพียงแต่เป็นอาการของร่างกายแล้วคำว่าเราอยู่ตรงไหนในร่างกายอันนี้คำว่าพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราสามีเราภรรยาเรานี้ มันอยู่ตรงไหนในร่างกายพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีไม่มีตัวตนในร่างกายไม่มีพ่อแม่พี่น้องญาติสามีภรรยาบุตรธิดาอยู่ในร่างกายนี้เลยมันอยู่ในจินตนาการของผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองเรานอกจากเรามีร่างกายแล้วเราก็มีผู้รู้ผู้คิดด้วยเราเป็นผู้รู้ผู้คิด ผู้จินตนาการไปกันเองนะเหมือนกับคนที่จินตนาการว่าโลกนี้แบนเท่านั้นเองนะแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่เป็นความจริงเป็นการจินตนาการของคนที่ไม่ฉลาดของคนที่ไม่ไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าหาความจริงเห็นอะไรก็จินตนาการไปว่าเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนเวลาเราไปอยู่ที่มืดนี่ พอได้ยินเสียงกุกกักหน่อยก็จินตนาการว่าผีมาแล้วเวลาลมพัดอะไรหน่อยขึ้นมาก็ผีก็ามาแล้วอันนี้เป็นจินตนาการของผู้รู้ผู้คิดแม้แต่ผู้รู้ผู้คิดผู้จินตนาการนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงพิสูจน์ว่าไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันก็เป็นเพียงแต่เป็นผู้รู้เป็นผู้คิดผู้จินตนาการเท่านั้นเอง จินตนาการสร้างตัวตนขึ้นม า, าผู้ที่สร้างตัวตนขึ้นมาก็คือผู้ที่รู้ผู้คิดผู้จินตนาการนี้เองคิดว่าร่างกายนี้เป็นน่เป็นของเราเป็นตัวเราร่างกายอันนั้นเป็นของพ่อเราเป็นของแม่เราเป็นของพี่เราเป็นของน้องเร า, <c oughs> เ, าเป็นของสามีเราเป็นของภรรยาเรา เป็นของลูกเราอันนี้เป็นจินตนาการเหมือนกับผีนี่เองอยู่ในที่มืดหน่อยได้ยินเสียงอะไรหน่อยอก็จินตนาการไปแล้วว่าเป็นผงเป็นผีไปพระที่อยู่บนเขานี่ท่านอยู่กันมาต้องนานท่านไม่เคยเห็นผีกันเลยแต่โยมบางคนนี่มานอนได้คืนเดียวนี่ตลิดเปิดเติมกลับไปอยู่ไม่ได้เห็นผงเห็นผีเต็มไปหมด มันเห็นด้วยจินตนาการมันไม่ได้เห็นด้วยความจริงความจริงมันไม่มีอยู่บนเขามานี่สามสี่สิบปีแล้วไม่เคยเห็นผีสักตัวนึงเห็นแต่การจินตนาการมีรับยอมรับว่าบางทีมันยังจินตนาการอยู่พออยู่ที่ไหนเกิดมีอะไรกุ๊กกิ๊กขึ้นมาอยู่ด้านหลังก็จินตนาการไปแล้วผีมาแล้วสัตว์มาแล้ว ตัวอะไรมาแล้วครั้งหนึ่งมีหมีมันหลุดออกมาจากกรงพอตอนคืนออกมาเดินข้างนอกนี่พอได้ยินเสียงกึกกักอะไรหน่อยนีย่หมีมาแล้วเนี่ยมันจมันจะจินตนาการไปทันทีเป็นเรื่องของจินตนาการของจิตคือผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นความจริงเลยเราจินตนาการกันไปตามสมมุตินิยมตามที่เขานิยมจินตนาการกัน พอเราข้อดอมาจากท้องแม่เขาก็สอนเราว่านี่คือร่างกายของเราแถมตั้งชื่อให้ด้วยมีชื่อนั้นชี่นู้นอีกเป็นของเราเป็นตัวเราร่างกายอันนี้เป็นของพ่อเป็นของแม่ร่างกายอันนี้เป็นของพี่เป็นของน้องแล้วพอเราไปถือว่าเป็นอะไรเป็นของเราเนี่ยมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทันที ใจเราจะไม่ค่อยมีความสุขกับของที่เป็นของเราเท่าไหร่แต่ของอะไรที่ไม่ใช่เป็นของเรานี่เรามักจะไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนด้วยของได้เป็นของคนอื่นบ้านของคนอื่นไฟไหม้บ้านคนอื่นนี่เราไม่เดือดร้อนร่างกายของคนอื่นตายนี่เราไม่เห็นเดือดร้อนเเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเอง แต่พออะไรที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นของเราเช่นพ่อเราแม่เราพอพ่อตายแม่ตายก็ร้องห่มร้องไห้กันร่างกายของพ่อตายร่างกายของแม่ตายมันมีแค่อาการสามสิบสองที่ตายนั่นเองร่างกายที่ตายใจที่เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างมันถึงตายไม่ได้มันไม่ได้ทำจากดินน้ำลมไฟมันก็เลยตายไม่ได้ใจมันเป็นาธาตุรู้าธาตุเดียวที่ไม่มีส่วนอื่นประกอบสิ่งใดที่เป็นาธาตุเดียวเช่นาธนาตุน้ำธาตุดินธาตุลมาธาตุไฟเนี่ยเวลามันอยู่ของมันตามละพังนี้มันจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันตาย น้ำนี่ไม่มีวันตายน้ำในทะเลมหาสมุทรนี้ไม่มีวันตายไฟไม่มีวันตายลมไม่มีวันตายดินไม่มีวันตายของพวกนี้ถ้ามันเป็นของอันเดียวหนึ่งเดียวนี่มันจะไม่มีวันแตกแยกออกไปได้แต่ของไหนที่เป็นของที่ประกอบขึ้นมาจากหลายอย่างด้วยกันเช่นประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ คือร่างกายของเราเลือกร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่เมื่อมันมีการประกอบรวมตัวกันเข้ามามันจะต้องมีการแยกตัวออกจากกันไม่ช้าก็เร็วร่างกายของคนทุกคนที่เกิดมาจึงต้องมีการแยกมีการแตกแยกสลายออกจากกันเพราะมันทำมาจากาธาตุทั้งสี่นั่นเองมันเป็นการรวมตัวของาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ มันรวมตัวกันได้อย่างไงมันก็เริ่มต้นด้วยการเอาธาตุของพ่อมาหยดหนึ่งเอาธาตุของแม่มาหยดหนึ่งพอมารวมกันมันก็เริ่มขยายตัวขึ้นมาขยายขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เริ่มก่อเป็นอวัยวะต่างๆจนในที่สุดมันก็ครบสามสิบสองอาการด้วยกันแล้วพอมัน ะเะรินเติบโ ต, โ ต, โ ต, โตเต็มที่ไม่สามารถอยู่ในคันได้ต่อไปมันก็คลอดออกมาแล้วก็มาเติมดินน้ำลมไฟต่อไปภายนอกตอนที่อยู่ในคันก็อาศัยดินน้าลมไฟของแม่ในร่างกายของแม่นี้มีดินน้ำลมไฟที่ได้มาจากอาหารได้มาจากน้ำที่ดื่มได้มาจากอากาศที่หายใจ ได้มาจากความร้อนภายนอกคือแสงอาทิตย์นี่มันก็เลยส่งให้ร่างกายที่อยู่ในท้องนี้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาพอเจริญเติบโตจนไม่สามารถอยู่ในท้องได้มันก็คลอดออกมาพอออกมาอยู่นอกท้องทีนี้ไม่มีาธาตุของแม่เป็นผู้สนับสนุนนะก็เลยต้องห า, าธาตุเข้ามาในร่างกายของตนเอง พอเด็กออกมาสิ่งแรกก็ต้องเอาธาตุลมก่อนออกมาจากท้องแม่นี่ก็ต้องหายใจก่อนหายใจแล้วก็เริ่มดื่มน้ำกันเพราะหิวน้ำหิวอาหารน้ำก็มีน้ำเปล่าๆก็เป็นน้ำน้ำที่เป็นนมก็มีธาตุดินผสมด้วยแล้วก็อาศัยความร้อนจากภายนอกเข้ามา หล่อเลี้ยงร่างกายเสริมสร้างร่างกายให้อวัยวะต่างๆนี้มีการเจริญเติบโตผมก็เริ่มยาวขึ้นขนก็เริ่มยาวขึ้นเนื้อหนังเอ็ดกระดูกก็ใหญ่ขึ้นอวัยวะต่างๆก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นไปตามลาดับมันมาจากไหนมันก็มาจากท่าทั้งสี่นี่เองาเด็กที่ข้อดออมาจากท้องแม่แล้วไม่ถายใจ ไ ม, ดม่ดื่มนม้ําดื่มนมเด็กมันจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้หรือไม่มันเจริญเติบโตไม่ได้เพราะมันไม่มีวัตถุดิบที่มาสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกายนั้นเองวัตถุดิบที่มาจะมาสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโตมันมีตัวตนหรือไม่น้ําที่ดื่มเข้าไปมันมีตัวตนหรือไม่นมที่เราดื่มเข้าไปตอนที่เป็นเด็กที่มีธาตุดินผสมอยู่ด้วย มันมีตัวตนอยู่หรือไม่อากาศที่เราหายใจลมหายใจมันมีตัวตนหรือไม่มันไม่มีเมื่อมันเข้ามารวมกันในร่างกายมันก็มาเปลี่ยนเป็นผมขนเล็บฟันอะไรเองแล้วผมขนเล็บฟันมันกลายเป็นตัวตนขึ้นมาได้หรือไม่ไม่ได้ร่างกายนี้มันมีตัวตนได้ยังไงมันไม่มีเราไปตู่มานอเองเราไปตู่ว่ามันมี มันเป็นตัวเป็นตน <Yeah. S 2> เหมือนกับเราลืมกุญแจเนี่ยเราไม่รู้ว่ากุญแจเราไว้ที่ไหนกุญแจรถจะขับรถค้นหากุญแจไม่เจอก็เลยไปตู่ว่าอยู่ในกระเป๋าอ uh huh. ถ้าอยู่ในกระเป๋าก็เลยต้องไปเปิดกระเป๋าดูเทของที่มีอยู่ในกระเป๋าออกมาให้หมด <Yeah. S 2> แล้วค้นหาดูซิว่ามีกุญแจาตามที่เราตู่หรือไม่ <Yeah. S 2> มันก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้ ว่ากุญแจมันไม่ได้อยู่ในกระเป๋ามันอยู่ที่อื่นเราไปเผลอวางไว้ที่อื่นแต่เราจำไม่ได้ว่าไปวางไว้ที่ไหนอันนี้เป็นการตู่ของพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยตู่ตู่เพราะความโง่เพราะความไม่ฉลาดเพราะไม่เคยคิดเรื่องราวเหล่านี้คิดตามกันมาพอเกิดมาพ่อแม่ก็บอกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรากันเราก็เชื่อกันมาจน กลายเป็นความจริงขึ้นมาทั้งๆที่ความจริงมันก็ยืนยันให้เราเห็นเวลาคนตายตัวเรามันหายไปไหนทำไมมันกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปร่างกายเราไม่คิดกันไม่ยอมคิดกันเรื่องของที่เราควรจะคิดเรากับไม่คิดกันเราก็เลยโง่ต่อไปแล้วความโง่อันนี้แหละที่ทำให้เราทุกข์กันไม่ใช่อะไรหรอกความโง่ที่ไปหลงไปยึด ของที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนของที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเท่านั้นเองพออะไรเป็นของเรานี่เราจะหวงทันทีเราจะรักเราจะหวงเราจะไม่ต้องการให้เขาจากเราไปเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้สรรพสิ่งทั้งหลายพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงมัน เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่แล้ววันดีคืนดีมันก็จะแยกทางกันพอแยกทางกันมันก็หายไปสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุสีเช่นร่างกายพอธาตุสี่แยกออกจากกันไปตัวร่างกายนั้นก็จะหายไปพอหายไปเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน เพราะความหลงที่เราไปถือว่าเป็นของเรานั่นเองถือว่าร่างกายนี้เป็นของเราร่างกายนั้นเป็นของพ่อของแม่ร่างกายนั้นเป็นของพี่ของน้องของเพื่อนของสามีของภรรยาพอร่างกายเหล่านั้นเขากลับไปสู่สภาพเดิมกลับไปสู่การเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเราก็ทุกข์กันเศร้าโศกเสียใจกัน เท่นั้นเองแต่ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเนยเราไม่ไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่ทุกข์กับเขาเลยนตอนนี้ถ้าเราได้ยินข่าวว่าคนนั้นตายคนนี้ตายในหน้าหนังสือพิมพ์มีอุบัติเหตุมีคนตายอยู่เรื่อยๆมีฆาตกรรมกันอยู่เรื่อยๆมีคนนั้นถูกฆ่าตายมีคนนั้นไปเจออุบัติเหตรุรถยนต์ความตาย เราอ่านข่าวเหล่านั้นแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเองไม่ได้ถือว่าเขาเป็นพี่เราน้องเราไม่ได้ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราเท่านั้นเองความทุกข์ก็ไม่เกิดนะแต่อะไรที่เราไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยพอมันเป็นอะไรขึ้นมานี้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพียงแต่บางทียังไม่ทันเกิดเลย เพียงแต่คิดว่ามันอาจจะเกิดเท่านั้นมันก็ทุกข์แหละไม่ได้ยินข่าวลูกสักวันสองวันเดี๋ยวทุกข์ขึ้นมาแล้วเป็นอะไรไปหรือเปล่าลองได้ยินข่าวกันทุกวันใช่ไหมถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่ต้องมีการโทรกันติดต่อกันหรือถ้าอยู่ด้วยกันถ้าวันไหนกลับมาสายหน่อยก็เริ่มทุกข์เริ่มวิตกกังวลกันขึ้นมาแล้วถ้าอะไรเป็นของเรามันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราทันทีเวลาที่มัน ไม่แน่นอนเวลาที่มันไม่ปรากฏให้เรารับรู้ให้เราเห็นว่ามันยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นของที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันจะทำให้เรารู้สึกทุกข์ด้วยกันทนั้นเช่นเงินทองนี้ก็ทุกขนะ์เวลามันอยู่ในกระเป๋าเราเราไม่ทุกขนะ์พอเปิดกระเป๋าม า, เ, าเงินหายไปไหนขึ้นมาอันนี้ก็ทุกขนะ์แล้วถ้าเป็นของเราเงินหายไปไม่กี่บาทก็ทุกขนะ์แล้วถ้าเป็นเงินของคนอื่นหายไปกี่ล้านเราก็ไม่ทุกขนะ์ เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราอันไหนที่เราไม่ถือว่าเป็นของเรานี่เราจะสบายใจอันไหนที่ไปถือว่าเป็นของเรานี่เราจะทุกข์ใจกันทั้งๆที่มันความเป็นจริงมันก็คือมันไม่ใช่เป็นของเรา <S <S ดังนั้นการที่เราได้มาเรียนรู้ความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเรานี้มันเป็นคุณประโยชน์กับเรามาก เพราะมันจะทําให้เราเปลี่ยนทัศนคติต่อสิ่งต่างๆที่เราไปไปไปมีไปรู้จักได้ถ้าเราต่อไปนี้เปลี่ยนความคิดหมายว่าไม่มีตัวตนในร่างกายของทุกๆคนไม่มีพ่ออยู่ในร่างกายของพ่อไม่มีแม่อยู่ในร่างกายของแม่ไม่มีไม่มีพี่ไม่มีน้องอยู่ในร่างกายของพี่ของน้องไม่มีลูกไม่มี สามีภรรยาอยู่ในร่างกายต่างๆร่างกายเป็นเพียงแต่ร่างกายผู้ที่อยู่ในร่างกายผู้ที่มาถือร่างกายว่าเป็นตัวตนนี้คือใจผู้รู้ผู้คิดท่านั้นเองผู้จินตนาการผู้นี้แหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้นี้ที่ไม่มีวันตายเวลาไม่มีร่างกายผู้นี้ก็เรียกว่าดวงวิญญาณไปเท่านั้นเองผู้นี้คือผู้รู้ผู้คิด แล้วก็ไปจินตนาการไปหาร่างกายอันใหม่ต่อทำไมยีงต้องไปหาร่างกายอันใหม่เมื่อเวลาร่างกายอันเก่านี้มันตายไปแล้ว mm hmm. ก็เพราะว่าผู้รู้ผู้คิดนี้ไปติดกับการมีร่างกายนั่นเองเหมือนกับคนที่ติดมือถือเนี่ยเชื่อไม้มถ้ามือถือเครื่องนี้เสียจะไปซื้อเครื่องใหม่หรือเปล่าถ้าไม่ซื้อมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีมือถือนี่ไม่มีแขนไม่มีขา จะติดต่อกับใครนี้ติดต่อไม่ได้พอไม่มีมือถือปั๊บเนี่ยเครื่องนี้เสียปับ๊บหรือหายไปปั๊บเนี่ยต้องเปิดดูแล้วว่าที่ไหนมีขายเครื่องใหม่ต้องไปสั่งไปจองไปซื้อทันทีอันนี้ก็เหมือนกันใจที่มันเคยใช้ร่างกายเคยมีร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือพอร่างกายมันเป็นอะไรไปใช้ไม่ได้ ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ยังต้องมีร่างกายอันใหม่มันก็เลยไปหาร่างกายอันใหม่มันก็เลยกลับมาเกิดใหม่เ <c oughs> นี่ยทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องมีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปเดี๋ยวไม่กี่ปีก็ได้ร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทุกข์อีกรอบใหม่เพราะการมีร่างกาย ควบคู่กับความหลงที่ไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานี้มันทำทาให้เราทุกข์เพราะว่าเราจะรักจะหวงร่างกายของเราและรักและหวงร่างกายของคนอื่นที่เราไปถือว่าเป็นของเราไปหวงร่างกายของพ่อของแม่ไปหวงร่างกายของลูกของสามีของภรรยาเราไม่อยากจะให้เขาจากเราไป แต่ธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่านอกจากเป็นอนัตตาแล้วมันเป็นอนิจจงด้วยมันไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่เที่ยงด้วยมันจะไม่อยู่กันไปตลอดมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงสิ่งต่างๆในโลกนี้เมื่อมีเกิดแล้วย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครกาหนดรู้ได้ว่าจะเป็นไปเมื่อไหร่ ร่างกายบางคนนี่เกิดมาวันเดียวก็ดับแล้วก็มีบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็หนึ่งเดือนบางคนก็หนึ่งปีบางคนก็สิบปีบางคนก็ร้อย ป, ป, ปีเมื่อสองวันก่อนมีญาติโยมคนหนึ่งใส่บาตอยู่ที่บ้านอำเภอเนี่อายุร้อยปีเกิดวันปีใหม่พอดีเกิดวันที่หนึ่งมกรา แล้วก็เพิ่งตายไปเมื่อวันที่ยี่สิบกว่านี้ยี่สิบสามยี่สิบสองจำได้ว่ายี่สิบสองยี่บสองยี่บสามตายไปหนึ่งร้อยปีกับยี่สิบสองวันาตายวันที่ยียสามเพราะดับหนึ่งบวกยี่บสองก็วันที่ยี่บสามตายร่างกายทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเพราะร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ตาย ของพระพุทธเจ้าก็แปดสิบปีแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันร่างกายอยู่ได้ยาวนานไม่เท่ากันแต่ที่แน่นอนก็คือตายเหมือนกันตายก่อนตายหลังตายช้าตายเร็วเท่านั้นแต่มันไม่มีอะไรน่ากลัวในความตายของร่างกายถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นร่างกายพ่อแม่เป็นใจ เป็นใจที่มาตู่มาถือเอาร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองเนี่ยถ้าเราเข้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเวลาคนตายนี่เราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครตายร่างกายนี้มันก็เป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้านี่เอเวลาต้นไม้ใบหญ้าตายเราร้องห่มร้องไห้กันหรืูป้ปะไม่เราก็รู้ว่ามันก็กลับไปเป็นดินอะ ต้นไม้เวลามันตายมันกลายเป็นอะไรไปทิ้งมันไว้ในป่าเดี๋ยวมันก็ผุพังไปกลายเป็นดินไปน้ําที่อยู่ในต้นไม้มันก็ระเหย อ, ออกไปไฟที่อยู่ในร่างแต่ต้นไม้มันก็หายไปไม่มีอะไรมันเป็นการรวมตัวของธาตุสีแล้วการเป็นการแยกตัวออกจากกันเวลาที่มันตายเท่านั้นเองร่างกายของพวกเราทุกคนเนี้ยเตรียมตัวไว้เถิดเดี๋ยวมันต้องแยกแน่นอนน เดี๋ยวมันจะต้องแยกออกจากกันเดี๋ยวลมมันก็จะออกจากร่างกายลมนี่จะไปกอดเพื่อนเลยพอไม่มีลมเข้าแล้วทีนี้ลมก็จะมีแต่ออกอย่างเดียวเกลิ่นที่ออกมาทางร่างกายนี้เป็นเป็นลมนะพอไม่มีลมพอลมออกแล้วสิ่งที่จะออกตามมาคืออะไรก็คือไฟร่างกายคนเป็นกับคนตายร้อนเย็นเหมือนกันไหม เราไปจับร่างกายคนตายเดีวสิเราจะรู้สึกว่าเรานี่อุ่นกว่าร่างกายของคนเป็นจับร่างกายของเป็นคนตายนี่จะรู้สึกว่ามันเย็นเย็นกว่ามือเร า, าแสดงว่าไฟเขาออกไปหมดแล้วแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปเดี๋ยวน้ําในร่างกายมันก็ต้องไหลออกมาเห็นไหมเวลาไปดูศพ บ, บางทีเขาต้องเอาสําลีอุดจมูกไว้เพราะไม่อุดได้เดี๋ยวมันก็มีน้ําเหลืองน้ําอะไรไหลออกมาทางจมูก น้ำที่มันอยู่ในร่างกายมันต้องแยกออกจากดินส่วนที่เป็นส่วนแข็งของร่างกายต่อไปพอน้ำออกมาหมดร่างกายก็แห้งกรอบแห้งกรอบแล้วเดี๋ยวก็ผุพังกายเป็นดินไปส่วนที่พังช้าที่สุดก็คือกระดูกกระดูกนี้มันเป็นธาตุมันมีดินมากดินผสมอยู่มากมันถึงแยกออกช้ากว่า แต่ส่วนอื่นเนี่ยหัวใจปอดตับไตนี่มันพอแห้งกรอบแล้วเดี๋ยวมันก็ผุพังกลายเป็นดินไปหรือสมัยนี้เราก็เอาไปเผาเลยมันจะได้พังได้เร็วขึ้นแยกได้เร็วขึ้นเพราะไม่มีที่เก็บไม่ใช่อะไรไม่มีใครอยากจะเก็บคนตายกันไว้ก็เลยต้องเอาไปเผาพอกลายไปเผาแล้วก็เหลือเป็นเศษกระดูกเศษขี้เถ้าก็แล้วแต่จะเอาไปทาอะไรต่อ บางคนก็เอาไปลอยอังคารไปลอยน้ำบางคนก็เอาไปใส่โคนต้นไม้ ก, ก็มีแล้วแต่ ท, ทาจะทำอย่างไรมันก็เป็นธาตุดินนั่นน่ะคิดเท่ากับเศษกระดูกมันไม่มีตัวตนแต่บางทีเรายังประยึดว่าเป็นกระดูกของพ่อกระดูกของแม่ยังต้องเก็บเอาไว้มาทำบุญอีกเวลาทำบุญเราไม่ได้ทำให้กระดูกเราเราทำให้ดวงวิญญาณ มีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกไม่สาคัญล่ะทำนี้ทาเพื่อดวงวิญญาณเพราะดวงวิญญาณนี้อาจจะรอรับบุญของเราได้อยู่ถ้าเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้สร้างบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาตายไปก็จะไปแบบไม่มีบุญติดตัวไปบุญนี้คืออะไรบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินต่างเงินที่เราจะไปใช้ในต่างประเทศ เวลาเราจะไปเที่ยวต่างประเทศนี้เราเอาเงินไทยไปใช้ได้ไหมไปญี่ปุ่นนอง เ, อเงินไทยไปใช้ดูสิไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อน้ำมันบอก no can do รับไม่ได้ใช้ไม่ได้เหมือนเงินของญี่ปุ่นมาใช้ในเมืองไทยดูก็ไม่มีใครรับเวลาเดินทางไปต่างประเทศเราต้องเปลี่ยนเงินเป็นเงินจากเงินบาทไปเป็นเงินของประเทศที่เราจะไปอันนี้ก็เหมือนกัน เวลาที่เราเออกจากร่างกายไปนี้เราก็เหมือนเราไปเดินทางไปต่างประเทศเนั้นเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องมีเงินที่จะไปใช้ในประเทศที่เราจะไปนีประเทศที่เราจะไปนี้เราเรียกว่าโลกทริปโลกของดวงวิญญาณะและการที่เราจะไปเที่ยวไปอยู่อย่างสุขสบายในโลกทริปได้เราก็ต้องมีเงินไปใช้ในโลกทริป เงินที่เราจะไปใช้ในโลกทิมนี้ก็คือบุญนี่เองบุญที่เกิดจากการที่เรามาทําบุญทําทานกันนี่แหละเป็นการที่นี่เหมือนกับเป็นที่แลกเปลี่ยนเงินตราเห็นไหมเวลาจะไปต่างประเทศนี่เขามีที่ให้เราแลกเปลี่ยนเงินตรากันจะไปประเทศไหนอ้าไปประเทศญี่ปุ่นมีเงินหมื่นหนึ่งขอเปลี่ยนเป็นเงินเยนพอมีเงินเยนแล้วเทนี้มั่นใจสบายใจแล้วพอไปถึงญี่ปุ่นก็ฟ้ากออกมาใช้ได้เลยะ การทำบุญทำทานเนี่ยเป็นการมาเปลี่ยนเงินไม่เป็นการสูญเสียเงินทองนะโยมอย่าไปคิดว่าเงินที่โยมมาบริจาคให้กับวัดทำบุญให้กับพระไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรเป็นการถวายสังฆทานเป็นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าชาระหนี้สงหรืองอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนเงินที่เป็นเงินบาทนี้ให้มาเป็นเงินบุญ เพราะว่าต่อไปเราจะต้องออกเดินทางไปต่างประเทศกันเราจะต้องออกจากโลกกรธาต์เนี่ยโลกที่เราอยู่นี้เราเรียกว่าโลกกระธาต์ร่างกายของเรานี้มันเป็นธาตุสีดินน้ําลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้นทำมาจากธาตุทั้งนั้นไม่ธาตุดินก็ธาตุน้ําไม่ธาตุน้ําก็ธาตุลมไม่ธาตุลมก็ธาตุไฟเนี่ยมีหรือบางทีก็ผสมกันหรือบางทีก็แยกกันอยู่ล้วน เช่นไฟที่เราจุดขึ้นมานี่ก็เป็นาธาตุไฟดล้วนะลมที่เราหายใจเข้ามาก็เป็นาธาตุลมล้วนๆน้ําที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นาธาตุน้ำล้วนนๆดินที่เราเหยียบนี่มันก็เป็นาธาตุดินล้วนๆแต่บางทีมันก็มาประสมกันพอมันประสมกันมันก็กลายเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้าขึ้นมาเป็นร่างกายของมนุษย์เป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเราจึงเรียกโลกนี้ว่าโลกกัาธาต์ โลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนวิญญาณของเรานี่มันเวลาไม่ได้อยู่กับร่างกายมันก็จะกลับไปอยู่ในโ ล, โลกจิตโลกเขาเรียกโลกทิพย์ไม่ใช่โลกจิตโลกทิพย์โลกที่ไม่มีร่างกายไม่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีแต่ดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ในโลกทิพย์ก็มีแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆพวกที่รวยกับพวกที่จนพวกรวย ก็เป็นพวกที่มีบุญติดตัวไปพวกจนก็เป็นพวกที่มีบาปติดตัวไปนี่เป็นแบ่งเป็นสองซีกซีกที่เป็นของพวกรวยเราเรียกว่าสุกคติหรือสวรรค์ชั้นต่างๆซีกที่เป็นของพวกคนยากจนพวกที่อยู่ตามสลัมนี่เราก็เรียกว่าอบายหรือทุกขคติอบายก็เป็นที่อยู่ของผู้ที่ ทำบาปเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่กลัวบุญไม่กลัวบาปไม่เชื่อว่ามีบุญว่ามีบาปคิดว่าทําอะไรแล้วมันก็จบที่ตอนที่ตายที่เรียกว่าตายแล้วสูญหมดไม่ว่าการกระทําอะไรที่เราทํามาในแต่ในแต่ละวันนี้จะทําดีขนาดไหนจะทํำชั่วขนาดไหนพอตายแล้วก็ไม่มีผลตามมา มีก็เฉพาะตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำดีก็อาจจะได้รับรางวัลถ้ามีคนเขารู้เขาเห็นแต่ถ้าไม่มีคนรู้คนเห็นก็จะไม่ได้รับรางวัลได้อย่างมากก็คืรู้สึกสบายใจว่าได้ทำความดีมเวลาทำบาปก็ถ้าไม่มีใครรู้ก็จะไม่ถูกจับไปลงโทษถ้ามีคนรู้ถูกจับก็ต้องไปติดคุกติดตล า, างแต่พอตายไปแล้ว มันไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปเขาไม่เห็นตัวที่เป็นผู้กระทาบุญกระทำบาปตัวที่จะไปรับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายเนี่ยร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปเวลาร่างกายตายไปมันก็ย่อยสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปแต่ตัวที่จะไปรับผลบุญผลบาปตัวที่ทาบุญทาบาปนี้ก็คือใจนี้เองตัวที่รู้ เป็นตัวที่เป็นตัวรู้ตัวคิดนี่แหละเป็นตัวที่สั่งให้ร่างกายทำทาบุญหรือทาบาปแล้วพอทำบุญแล้วทาบาปมันก็จะมีผลขึ้นมาที่ทตัวที่กระทำนี้คือในขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบุญมันก็จะมีความสุขใจอิ่มใจทำบาปมันก็จะมีความทุกข์ใจมีความร้อนใจความสุขใจความทุกข์ใจ น, นี่แหละที่มันไม่หายไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว มันจะอยู่ต่อไปมันจะเป็นตัวที่จะส่งให้ใจนี้ไปอยู่ซีกไหนของโลกทิพย์จะไปอยู่ซีกของสุขติหรือไปอยู่ซีกของทุกติอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทํากันนี้แหละนี่แหละคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วหลังจากหลังจากที่ร่างกายนี้ย่อยสลายกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปแล้ว ผูรู้ผู้คิดผู้มาตูว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวนี้แหละที่จะไปต่อตัวนี้แหละที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าทําบุญก็เหมือนกับแลกเงินแลกเอาเงินที่ใช้ในโลกนี้เปลี่ยนเป็นเงินที่จะไปใช้ในโลกทิพย์ก็คือบุญพวกที่ทําบุญมากๆ ก, ก, ก็จะเป็นเศรษฐีบุญเวลาตายไปก็จะไปเป็นเศรษฐี เป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้ามีบุญมากก็ได้เป็นเทวดาชั้นสูงมากถ้ามีบุญน้อยก็จะได้เป็นเทวดาชั้นไม่สูงมากความสุขมากสุขน้อยนี่เองที่แยกเทวดาเป็นชั้นต่างๆทําบุญมากก็จะมีความสุขมากก็จะเป็นเทวดาชั้นสูงมากทําบุญน้อยก็มีความสุขน้อยก็จะเป็นเทวดาชั้นต่ํา เป็นพวกลุกคเทวดาพวกนี้อยู่ตามต้นไม้เขาเรียกลุกคาเทวดาเป็นเทพแต่เป็นเทพที่ระดับต่ําทําบุญน้อยอยู่ใกล้ใกล้เคียงกับมนุษ ย, นย์มนุษย์นี่ถือว่าทำห้าสิบห้าสิบทำบุญห้าสิบทำบาปห้าสิบเวลาตายไปก็เลยไม่ได้ไปเป็นเทพไม่ได้ไปอบา ย, ยถ้าเราขณะที่มีชีวิตอยู่เราทําบุญครึ่งหนึ่งทําบาปครึ่งหนึ่ง เวลาตายไปไปสวรรค์ไม่ได้เพราะเงินไม่พอที่จะจ่ายเครื่องบินค่าเครื่องบินแล้วบาปก็ไม่มากพอที่จะถูกเขาจับไปลงโทษได้เขาก็เลยให้เรากลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่ไปเป็นเทวดาก็เหมือนกันเวลาไปก็เพราะว่ามีบุญมากกว่าบาปจึงไปเป็นเทวดากันพอบุญที่ส่งไปเป็นเทวดาหมดเหมือนเงินที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหมดเราทํายังไง เราก็ต้องกลับบ้านใช่ไหอกลับมาหาเงินใหม่ไปเที่ยวเสร็จพอเงินหมดก็อยู่ไม่ได้เขาไม่ให้อยู่ไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมเขาจะให้เราอยู่เขเปล่าเขาก็บอกบ า, บายๆเชิญกลับบ้านเราก็ต้องกลับมาบ้านเพื่อที่จะมาหาเงินใหม่พวกที่ไปเป็นเทวดาพอบุญหมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่ไปติดคุกติดตารางไปเป็นขอทานอยู่ในอยู่ในอบายก็เหมือนกัน พอกรรมใช้กรรมหมดใช้โทษหมดติดคุกหมดก็สั่งจำคุกยี่สิบปีพอครบยี่สิบปีหมดโทษเขาก็ปล่อยออกมาปล่อยให้กลับมาบ้านเดิมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <Yeah. S 1> การมาเกิดของมนุษย์จึงมีสองพวกด้วยกันพวกที่มาจากที่สูงมาจากสวรรค์กับพวกที่มาจากที่ต่ำมาจากกบายคนที่เกิดมาสองพวกนี้จึงมักจะไม่เหมือนกัน คนที่เป็นคนดีมักจะมาจากที่สูงเพราะคนทำบุญเป็นคนทำบุญทำความดีมากกว่าทำบาปส่วนคนที่มาจากที่ต่ำมาจากอบายนี้เป็นพวกที่ทำบาปมากกว่าทำบุญเพราะกลับมาเกิดใหม่ก็จะทำเหมือนเดิมมันเป็นนิสัยของเขาเขาจะทำบาปมากเขาจะทำบาปมากกว่าทำบุญพวกที่ทำบุญมากกว่าทำบาปเมื่อกลับมาเกิดก็จะเหมือนกันก็จะกลับมาทำบุญมากกว่าทำบาป เราจึงมีคนสองพวกอยู่ในโลกนี้ด้วพวกที่สามก็คือพวกที่ทําบาปครึ่งหนึ่งทําบุญครึ่งหนึ่งมีอยู่สามพวกด้วยกันในโลกนี้ทําไมเราจึงมีคนสามพวกคนดีคนไม่ดีแล้วก็คนครึ่งๆกลางๆดีบ้างไม่ดีบ้างก็เพราะว่าอันนี้เป็นนิสัย ข, ของเขานั่นเองเขาเคยทาอะไรมามันจะติดเป็นนิสัยเป็นสันดานของเขาไป คนที่ทำบุญมากๆก็จะติดเป็นสันดานมาคนที่ทำบาปมากๆก็จะติดเป็นสันดานมาคนเคยดื่มเล้าตลับมาเกิดใหม่มันก็ดื่มเล่าพอมันโตขึ้นมาปั๊บนี่ไม่ต้องสอนมันอ่ะเดี๋ยวมันไปหาเล่ากินเองคนที่ชอบเล่นการพนันเดี๋ยวมันก็ไปหาการพนันมาเล่นคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางวันเที่ยวเตะมันก็จะไปเที่ยวกันมันจะไม่ชอบทำงานนคนขี้เกียจมันก็จะขี้เกียจ ส่วนคนที่ดีก็จะเป็นคนตรงกันข้ามกันคนที่ดีก็จะชอบทําบุญชอบทําความดีชอบช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือไม่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ช่วยยินดีมีใครต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่เขมีอะไรเขาก็ชอบประแจกกันมีข้าวของเงินทองก็เอามาแจากกันอันนี้เป็นนิสัยของคน ที่เคยทำบุญมาจะจะเป็นอย่างนี้เคยทำอย่างไรก็จะเป็นอย่างนี้โลกของเราจึงมีเนี่ยมีสามพวกด้วยกันมีพวกที่มาจากข้างบนมีพวกที่มาจากข้างล่างและมีพวกที่มาจากตรงกลางคือภพของมนุษย์เนี่ยเพราะว่าทำบุญกับบาปเท่าๆกันเลยไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายไม่ได้ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อ แต่ไม่ว่าจะกลับมาแบบไหนก็จะกลับมาอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันเพราะเมื่อกลับมาเกิดแล้วก็จะมาทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะเราจะไปยึดว่ามันเป็นตัวเราของเราทุกคนจะยึดว่าร่างกายเป็นของเรายึดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นของเรายึดลูกสามีภรรยาเป็นของเรายึดพ่อยึดแม่เป็นของเราแล้วเดี๋ยวเวลาต้องจากกันก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ แล้วตายไปก็ไปไปรับผลบุญผลบาปใหม่เสร็จ แ, แล้วก็กลับมาเกิดใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาได้ยินคำสั่งคำสอนว่าสัพเพธรมมานตตาเนี่ยแะสัพพสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนไม่ควรที่จะไปยึดไปติดเพราะมันจะทาให้เราทุกข์ทุกข์เพราะว่าสัพพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยง มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไม่ว่าจะเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราก็ตามถ้าไม่เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าอะไรเป็นของเราเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องมองว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้หมดแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆแล้วเราจะไม่มีความต้องการที่จะได้สิ่งต่างๆอีกต่อไป แล้วเมื่อเราไม่มีความต้องการเพราะเรารู้ว่าถ้าเราต้องการอะไรก็แสดงว่าเรายึดนั่นเองเรายังอยากได้อยู่ความอยากได้กับความยึดนั้นนี่มันเป็นตัวเดียวกันถ้ามันยึดแล้วมันก็อยากได้ใช่ไหมถ้ายึดมือถือมันก็อยากได้มือถือเวลามือถือหายไปเวลามือถือเสียไปมันก็อยากได้มือถือใหม่มาใช้ต่อฉันใดถ้าเรายังยึดยังถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่ เราก็ยังจะอยากได้ร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไปรอรับร่างกายใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ต่อไปแล้วก็กลับมาทุกข์กับกับความยึดถือของเราต่อไปเรายึดเราถืออะไรว่าเป็นของเราพอเขาจากเราไปพอเขาเป็นอะไรไปเราก็ทุกข์กันขึ้นมาร้องหม่มร้องไห้กันขึ้นมา จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าถึงคำว่าสัพเทรธรรมาอนัตตาหเห็นชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกับสมัยนี้เราเห็นกันอย่างชัดเจนว่าโลกนี้กลมไม่มีใครกลัวแล้วสมัยก่อนไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลๆนะเพราะว่าถ้าโลกมันแบนมันก็คงจะเหมือนเหมือนโต๊ะมเ้งพอมันไปสุดขอบโต๊ะมันมันก็ต้หลุดออกนอกนอกโลกไป ตกล่นจากโต๊ะไปสมัยก่อนคนไม่กล้านั่งเรื อ, อ, อไปไกลๆ ก, กลัวเดี๋ยวเรือมันจะตกขอบโลกไปแต่สมัยนี้ไม่มีใครกลัวแล้ะเดี๋ยวนี้ชอบนั่งเรือกันเรือสำราญนี่เห็นไหมท่องเที่ยวกันรอบโลกเลยเพราะเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าโลกมันกลมจันใดถ้าเรามารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรานี้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับมันมันจะ เป็นอะไรอย่างไรเราจะไม่ทุกข์และเราจะไม่มีความอยากจะได้มันพราะรู้ว่าถึงแม้ว่าไม่ถึงว่าไม่ไม่ไม่ยึดติดกับมันเวลามีมันมันก็ยังทําให้เรายุ่งยากอยู่มีร่างกายเราก็ยังต้องเลี้ยงดูมันแล้วมันยังต้องเจ็บต้องไข้ต้องเจ็บตรงเนั้นปวดตรงนี้ถึงแม่ไม่ยึดมันก็ยังต้องเจอเพียงแต่ว่ามันทุกน้อยกับคนที่ยึดเท่านั้นเองคนที่ยึดจะจะทุกข์มาก เพราะความอยากความอยากไม่เจ็บอยากไม่แก่อยากไม่ตายมันจะทําให้ใจทุกข์มากแต่คนที่ไม่ยึดนี่ไม่ทุกข์แต่ก็ยังต้องเจอความเจ็บความแก่ของความตายของร่างกายอยู่สู้ไม่มีมันดีกว่าไม่มีอะไรเลยดีกว่าใจก็จะได้ไม่มีความทุกข์มามายุ่งเกี่ยวอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราได้เข้ามาหาพระพุทธศาสนา เราจะได้เรียนรู้ว่าเหมือนกับเราเรียนรู้ว่าโลกนี้กลมโลกนี้ไม่แบนฉันใดเราก็จะได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เราควรจะไปยึดไปถือว่าเป็นของเราเพราะมันไม่ได้เป็นของเราสิ่งที่เราเห็นด้วยตานี้มันเป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นเองมันเป็นการมารวมตัวของดินน้ำลมไฟส่วนที่เราไม่เห็นนี่เป็นตัวที่ไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นตัวที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่เรารู้อย่างนี้แล้วต่อไป Lane, เวลาใครตายเราจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตา ย, ตายสิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวเขาเราก็เหมือนกันเวลาที่ร่างกายเราจะตายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่เรานี่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่มีรูปไม่มีร่างเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราก็จะปล่อยวางได้และเราก็จะไม่มีความอยากจะมีร่างกายต่อไป เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใน ส, ส, สปปรรพสิ่งทั้งปวงเห็นธรรมะทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาท่านก็เลยไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้ท่านก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป พวกเราก็จะเป็นเหมือนกันถ้าเราสามารถสอนใจให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างฉั้นพยายามหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังไม่เห็นยังไม่เข้าใจก็ไปฟังไปศึกษาไปค้นคว้าคาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี้แปลว่าอย่างไรมียกดูตัวอย่างอย่างไหนบ้างเพื่อเราจะได้เอามาจดเอามาจา แล้วเราจะได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ต่อไปแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาเบวาหาปุราปะิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิชิตังปัชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเหปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะพิวาธนาสีริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมมาวะทานติอายุวันโนสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหา ใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ถ้าจะถามเองก็เชิญขึ้นมาที่ศาลา ม, มีไวโครโฟนให้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยห้าสิบสองคน y o u t u สองร้อยสี่สิบสี่คนวิทยุออนไลน์ยี่สิบคน ผู้รับฟังบนเขาร้อยสามคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสิบเก้าคนครับอาจารย์เชิญ ถ, ถามได้เลยฝนมาพอดีคำถามฝากถามค่ะคำถามฝากถามค่ะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและทมในธรรมคือเห็นอย่างไรครับ ก็เห็นร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราหน่อยนะึเห็นเวทนาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นจิตก็เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นธรรมก็คือว่าเห็นว่ามีธรรมหรือไม่มีธรรมในเราในจิตเราในตัวในผู้รู้ผู้คิดในตัวเราก็นั้นอีกคําถามฝากถามค่ะจิตทําหน้าที่เฉยเฉยจิตเป็นหัวหน้าใหญ่ มีบริวารคือผู้รู้ภายในจิตที่ลึกเข้าไปอีกก็จะมีคนงานคือผู้คิดและผู้จดจำคอยทำงานให้จิตผู้คิดเปรียบเสมือนมือขวาผู้จดจำเปรียบเสมือนมือซ้ายหากเราตัดผู้คิดและผู้จดจำออกจากจิตเหลือแต่ผู้รู้นั่นคือสมาธิอุเบขาถูก ไ, ไม่เจ้าคะถ้า ถ้าผู้รู้ถ้าผู้คิดมันหยุดคิดมันก็จิตก็จะสงบจิตก็จะมีอุเบกขามีความสุขงั้นพยายามมาหัดหยุดความคิดกันสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติถ้าเราใช้สติพุทโธพุทโธไปมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องที่เป็นเราของเรา ความหนักอกหนักใจก็จะหายไปความสงบก็จะเข้ามาใจเราก็จะสบายจะรู้เฉยๆรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรเราไปว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่เองพอเราหยุดไปว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่มันจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนคำถามฝากถามค่ะ กระผมเพิ่งหัดนั่งสมาธิใหม่ๆผมควรภาวนาอย่างไรดีครับให้มีสมาธิดีขึ้นเป็นลำดับหรือกระผมนั่งภาวนาท่องอิจพิโสพะควาร้อยแปดจบแบบนี้ได้ไหมครับได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างสติขึ้นมาก่อนที่เราจะนั่งสมาธิให้จิตสงบได้เราต้องมีสติก่อนแล้วต้องหมั่นฝึกสติด้วยการสวดมนต์ดยการบริกรรมพุทโธพุทโธ ถ้าทำได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับได้ก็จะมีสติที่มีกำลังมากแล้วพอนั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เอ็นี่พยายามหมั่นฝึกจิตฝึกสติไปเรื่อยๆเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็สวดบนไปภายในใจหรือพุทโธไปภายในใจไม่ว่ากำลังจะไปทำอะไรก็ตามถ้าไม่จาเป็นจะต้องใช้ความคิดก็อยากคิดสวดไปพุทโธไป อาบน้ําก็พุโทโธไปสวดไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปสวดไปกินข้าวก็เหมือนกันทําอะไรก็เหมือนกันยกเว้นเวลาทํางานต้องใช้ความคิดก็หยุดคิดไว้ชั่วคราวพอไม่ต้องทํางานก็กลับมาพุโทโธมาสวดมนต์ใหม่ทําอย่างนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิจิตมันจะนิ่งจะสงบจะนั่งได้นานจะมีความสุขมากจะมีความสุขได้นาน เราจะทำให้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอยากได้แต่ความสุขจากความสงบนี้เพียงอย่างเดียวคำถามจาก Youtube ค่ะ <c oughs> เชื้อโรคมีจิตหรือไม่ <c oughs> เพราะเคยเห็นเขาอุทิศส่วนกุศลให้เชื้อโรคแบบนี้ถูกไหมครับตามหลักศาสนาเราไม่ถือว่าเชื้อโรคมีดวงวิญ ญ, ญาณเชื้อโรคไหมถ้ามีดวงวิญ ญ, ญาณถ้ากินยาฆ่าเชื้อก็ถือว่าก็บาป อั่นงนี้เราไม่ถือว่าบาปเชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีไม่มีดวงวิญญาณไม่มีการรับรู้อะไรคำถามฝากถามค่ะ <c oughs> นั่งสมาธิแล้ว <c oughs> จิตมักจะดับ <c oughs> บางครั้งก็หลับไปอยู่บ่อยๆ <c oughs> อ, อยู่บ่อยครั้งแก้ไข ย, ยังไงเจ้าคะก็ลุกขึ้นมาเดินถ้านั่งแล้วหลับก็อย่านั่งลุกขึ้นมาเดินมาเจริญสติใหม่เพราะสติอ่อนมาก พอนั่งแล้วมันเคริ้มแล้วมันก็หมดสติมันก็จะหลับยันต้องเติมสติเหมือนขับรถไปรถทําท่าจะวิ่งไม่ได้แล้วก็แสดงว่าน้ํามันจะหมดแล้วรถจอดแสดงน้ำมันหมดน้ำมันหมดก็ต้องไปเติมน้ํามันก่อนอย่านั่งลุกขึ้นมาเดินมาเติมสติก่อนเดินหลายทีเดินนานๆเลยมันจะได้มีสติเยอะๆ หมืนเติมน้ำมันก็เติมนานๆอย่าไปเติมปั๊บเดียวยังไม่ทันเต็มถังก็หยุดละแล้วเมื่มันเต็มถังแล้วไม่ต้องรีบร้อนพอมันเต็มถังอันนี้มันจะวิ่งได้ไกลวิ่งได้นานมาเดินจงกรมก็เดินบันทีหลายๆชั่วโมงเลยสองสามชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวเวลาไปนั่งสมาธิมันจะได้นั่งได้ได้ยาวได้นอนคําถามจาก facebook ค่ะคําถามจาคุณนภัสสุริเราพูดไม่ดีด้วยความโกรธสาบแช่งไป แต่คำพูดนั้นทำให้เรารู้สึกทุกข์ควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็อย่าพูดสิถ้ารู้ว่ามันทุกข์ต่อไปก็อย่าพูดและช่วงที่มันทุกข์ก็ใช้พุโทโธหยุดมันอย่าไปคิดถึงมันพุโทโธพุโทโธไปมันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วคำถามจาก Youtube ค่ะคำถามจากคุณเชอร์เบลลูกชายวัยห้าขวบกว่าชอบโดนเพื่อนแกล้งหนักหนักสุด ข้างในใบหูช้าเขาเคยเอาไม้มาจิ้มแล้วหมุนจนเป็นแผลเคยไปคุยกับทางโรงเรียนเขาก็เรียกแม่เด็กมาคุยขอบอกว่าลูกชายเขามีปัญหาโดนติดตามพฤติกรรมอยู่เราไม่รู้จะทํำยังไงหนูเคยสอนลูกว่าอย่าทําใครก่อนและสอนเขาเรื่องนรกสวรรค์ว่าไม่ให้ทําร้ายใครแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราจะบอกเขาใหม่ว่าถ้าใครมาทําเราให้เขาทําคืนอย่าไปยอมเขาได้ไหมคะ ทำคืนก็เจ็บด้วยกันทั้งสองคู่ทั้งสองคนทำคืนเข้าแล้วเดี๋ยวก็กลับมาทำคืนเราใหม่ไม่ใช่เจ็บผลเดียวมันจะเจ็บหลายรอบถ้าเราไม่ทำคืนก็เจ็บรอบเดียวถ้าไปตอบโต้เขาเขาก็จะกลับมาตอบโต้เราใหม่นะดีไม่ดีจะเจ็บหนักกว่าเก่าดีไม่ดีตายกันก็มีงั้นก็เลือกเอาจะเอาอย่างไรจะเอาเจ็บหลายรอบหรือเอาเจ็บรอบเดียวถ้าเจ็บรอบเดียวก็อย่าไปตอบโต้ ก็ให้คิดว่ามันเป็นกรรมของเขาก็แล้วกันอาจจะไปทําอะไรใครไว้ในอดีตชาติชาตินี้เลยต้องมาเจอหรือถ้าไม่อยากจะเจอก็ลองเปลี่ยนโรงเรียนดูย้ายโรงเรียนดูก็ไม่แน่ถ้าเป็นกรรมเดี๋ยวมันก็ไปเจอใหม่อยูด่ดีอย่งถ้าย้ายโรงเรียนก็ยังเจออยู่ก็อย่าไปย้ายมาันมายอมรับกรรมเสียหรือมาคอยหลบก็แล้วกันพอรู้ว่าใครจะมาทาเราก็หลบไปเสีย อย่าไปตอบโต้อย่าไปยุอยาให้เขาโกรธอย่าไปยุยอยาให้เขามาทําอะไรเราก็อาจจะลดได้แต่ถ้ายังทําดีที่สุดแล้วย okay. ังโดนก็ถือว่านี่คือทนะุก์นี่คือการเกิดเกิดแล้วก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะเจ็บจะแก่จะตายก็อย่ามาเกิดคำถามจากคุณวิชัยค่ะ ถ้าเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังง่วงอยู่จะมีวิธีการอย่างไรแก้ไขความง่วงหรือให้เดินต่อไปเจ้าค่อก็เดินไปจนหายง่วงอ่ะให้มันรู้ไปสิว่ามันจะสู้เราได้หรือเปล่าเดยไปเดินที่มันน่ากลัวหน่อยก็ได้ที่ไหนมีผีลองไปเดินแถวนั้นเดี๋เดินเดินแถวป่าช้าหรือเดินแถวที่มันน่ากลัวดูเดี๋ยวตอนนี้เสียงมันดังมากเลนขอพักเดี๋ยวเนีย ก็ันไม่ได้ยินเสียงฟังแล้วมันอาจจะไม่มีอัธรบทเท่าไหร่ดีไหมเ้ายังพอฟังได้ฟังเสียงฝนไปก่อนดีกว่าก็าพักหนเรานั่งสมาธิกันเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวถ้าฝนหยุดมีเวลาเหลือก็ค่อยว่ากันใหม่ถ้าหมดเวลาก็ไว้โอกาสหน้าก็แล้วกัน